เนี่ยมันก็ไม่ทันล่ะเนี่ยเฉพาะเวลาหลับลาหลับตาใช่ไหมภาวนานอนเนี่ยมันถึงไม่ทันมันถึงขุนถึงมวน่พราะสติเราไม่มีสติเราไม่ทันมันก็ขุนมัวอยู่ตลอดเวลาน่ยใช่ไหมมันต้องให้มีสติอยู่ตลอดเวลานอย่าไปเอาเฉพาะเวลาหลับตาอย่างเดียวคือนนอนมาเนี่ยเห็นใช่ไหมเอี่ยหลวงพ่อจับแก้วขึ้นมาหลวงพ่อมีก็สติอยู่ตรงจับแก้วนี่นะมันไม่ได้คิดบอกออกไปในอนาคตไม่ใช่จับแก้วอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ตัวคิดไปข้างนอกไม่ใช่ ต้องรู้อยู่กับตัววางลงงนี้กับมีสติรู้อยู่เนี่ยว่าวางอย่างนี้เนี่ยทําได้ทั้งวันมันไม่ต้องบริกรรมพุทโธนะจะทำบริกรรมเฉพาะเวลาเรานั่งหลับตาเท่านะั้นหลังจากเราไม่ได้หลับตาเนี่ยตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราเดินไปห้องน้ําแล้วก็ต้องมีสติไปทําอะไรบ้างในห้องน้ําแปรงฟันจับแปรงสีฟันมาให้กระรูนหยิบยาสีฟันใส่แปรงสีฟันก็ะรูปแปรงฟันอยู่อย่างนี้กรูรูนเผื่อไปเอามารู้อีกบ่นปากอยู่ก็รู แล้างหน้ายู่ก็รู้เช็ดหน้ายู่ก็รู้จะถ่ายหนักถ่ายเบาอะไรก็รู้ตัวอยู่อย่างนั้นจนเดินออกจากห้องน้ําก็รู้ปิดประตูห้องน้ําก็รู้ไปทําอะไรก็รู้ให้มันต่อเนื่องอย่างนั้นจนจนถึงตอนเย็นอีกนะมันเถือเอามารู้ต้องทําให้ต่อเนื่องอย่างนี้จะไปทํำเฉพาะเวลาหลักตาถ้าเนี่ยมันส่วนมากมันจะทั้งพระทั้งพระทั้งโยมมันจะทําเฉพาะเวลาหลับดาเงี่ยล่ะทีนี้มันเป็นทางความคิดมันก็ไปกับความคิดทั้งวันใช่ไหมล่ะ นความคิดจะดึงจะลากไปทั้งวันไหลไปกับความคิดคิดหมดกับเราไม่มีสติเนี่ยเราจะเอาเฉพาะเวลาหลับตามันจะไปกวนไปทั้งวันเลยกวนนะที่เพราะเราไม่มีสติต่อเนื่องเราทำไม่ต่อเนื่องคิดโนนคิดนี่คิดนั้นแหละนั่นแหละต่อไปเนี่ยถ้าฝึกอย่างนี้แล้วมันคิดเราจะรู้ทันความคิดเราจะไม่ไปกับความคิดใดทีีเราจะไม่ทุกข์เพราะความคิดต่อไปนะอันนี้เราทุกข์เพราะความคิดใช่ไหมล่ะเวลาทนั่งหลับตาอย่งนี้ผมไม่คิดเราก็ทุกข์เราเราไม่อยากให้มันคิดใช่ไหม เพราคิดกระทุกยิ่งไม่อยากให้คิดมันก็ยิ่งคิดแล้วก็ยิ่งทุกเพราะเราจะทําเฉพาะเวลาหลับจามันไม่ได้มันต้องทําตลอดเวลาตั้งแต่ตือเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนเลยลุกจากที่นอนเดินไปนนก็ต้องมีสติแล้วนี่ยนะเราเราไม่ภาวนาก็ก็เราจะนอนวันนึงไดก้กี่ชั่วโมงเวลาภาวนานั่งหลับจานประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วอีกยี่สิบสามชั่วโมงครึ่งไปทําอะไรไม่ได้ภาวนานี่ยใช่ไหม ปล่อยไปยี่สิบามชัวโมงครึ่งตีจะนอนตอนกลางคืนนะตั้งแต่เอาตัา้งตีทุ่มถึงถึงตีห้าประมาณนี้ไหมนอนนะกลางคืนใช่ครับแล <10 S 1> ้วแล้วก็เราปล่อยนอกนั้นเราไม่ได้ภาวนาเวลาหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปเวลานอนก็ปล่อยให้เวลานอนก็ต้องหายใจเข้าพูดธอกทัให้มันหลับอย่างนี้หาพุทธทัทุกวันนะเราไม่ใช่จะน อ, อนไปกอดไก่นะหาคิดไปอันเดียวนาคตรดิงานอย่างนั้นอย่างนีไปเนี่ยบุ่นไปหมดใช่ไ เรต้องเอากลับมารู้ตัวอยหายอยู่กับหายใจก็พูดธออกโทรเวลานอนท่ทานทำอยู่อย่ า, า, างนี้เอาทำอยู่ครับเออต้องทำนะเออทำอย่างนี้ทีนี้แลบนอนพลิกตะแคงใช่แต่แคงแแขงวาก็ต้องรู้นอนไหนก็ต้องรู้นะครับอ่าทีนี้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มันแป๊ไปเอาไปคิดข้างนอกเอามาอยู่กับลมหายใจเขา้าหายใจออกอยู่เนี้ยจนนอนหลับใช่ไหมละ่ะนั่นแหะตอนกล้งคืนเ อ, อาปวดท้องฉี่จะไปลุกไปฉี่กบลุกจากที่นอนไปก็ลูกเดินไปก็ลุกไปฉี่อยู่ก็รูกเดินออกจากห้องน้ำมาก็ลูกไปนอนลงอยูกกย่ก็ลูกอีก อย่าต้องให้มันต่อเนื่องแบบนี้นะต่อมันไม่ยากเลยนะถ้าทํำนี่ไม่นานนะไม่นานมันจะต่อเนื่องจะแม้เถอมันจะน้อยลงจะทุกจะน้อยลงไปพร้อมกันเลยต้องทําขนาดนะั้นนะอย่าไปทำํำเฉพาะเวลานั่งหลับตาอย่างเดียวมันก็ไม่ทันเหตุการณนะ์ถ้าเราทําเฉพาะหลักตาเราทำให้ได้ตลอดเวลาถ้าทําอย่างนี้มันไม่นานหรอกสมเดือนเนี่ยจะเห็นผลแต่ยังช้ายอยู่นะสามเดือนถ้าทําจริงๆเดือนหนึ่งหรือสองเดือนมันจะเห็นผลนะ ว่าเราจะทันความคิดอแล้วทุกจะน้อยลงไปเพราะเพราะน้อยลงไปเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปกับความคิดที่เราทุกเนื่องเพราะเราไปกับความคิดคิดไปทั้งวันทั้งคืนก็นตามความคิดออกไปแล้วก็เป็นชอบใจเดี๋วไม่ไม่ชอบใจเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็ไม่พอใจใมันสารพัดแต่ถ้ามันไปใช่ไหมกเหออ็เรื่องอดีตเรื่องอนาคตบุนไปหมดเพราะอะไรเพราะสติเราไม่ทันถ้าสติเราทันคิดมาเราจะรู้ทันเลยหงุดหงิดมารู้ทันไม่พอใจรู้ทัน เนี่ยมันจะไม่ไปกัเลยทีนี้มันจะไม่ไปพราไปแล้วมันทุกข์มันจะไม่ไปมันเจ้ากลับมารู้อยู่ข้างในเนี่ยจะทอะไรอยู่แล้วก็รู้ตัวอยู่ทั้งวันนะแม้แต่ยังจะฉันน้ําเอาเปิดเนีนะ่ยหยับจะขึ้นมา ก, ก็รู้เนะี่ยดึงนนี้ออกนี้ก็รู้ม<ล>ีสติอยู่กับตัวนี่นะเป็นปัจจุบันอย่างเงี้ยเนี่ยเนะีนะ่ยนะดึงนี้ก็บรูนะ้เปื่ตรงนี้มาก็บรู้ในชะ่ไหมเนะีนะ่ยนะนะนะมันต้องให้รู้อย่างเงี้ยตลอดเวลารวังลงกัรู้เนี่ยนะมันต้องทําให้รู้แบบนี้ให้ต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับ เราไม่ใช่จะไปทำเฉพาะเวลาหลับตานันไม่นักไม่ไม่หนักไม่ได้ยากเลยนะเอะมันไม่เหมือนเราแบกท่อนไม้ท่อนสุงมันหนักถ้าเรามันจะทับคอมันจะหักอะไรอย่า ง, างนัง้นอันนี้มันเอาความรู้สึกนะแค่ความรู้สึกเนี่ยรู้สึกตัวเราเรียกว่าศึกเจริญสติให้มันมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถ เนี่ยในการยืนเดินเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไปมานะสติจะ อ, อยู่กับตัวตลอดมันเลอะไปเอามารู้ตัวอีกปกติเราจะไม่เอากลับมาเลยใช่ไหมเราจะตามมันไปตลอดเลยใช่ไหมนั่นทุกมันทุกแบบมันทุกเพอเราตามความคิดออกไปนั่นไม่เป็นทุกอะไรทุกทุกเพราะความคิดเราตามมันออกไปเพราะเราไม่มีสติเราไม่ได้ฝึกสติเนียขาเรียกคนไม่ฝึกสติไม่เจริญสติมันก็ไกลกับความคิดทั้งวันความมัน ดึงมันลากไปทั้งวันความคิดนะนะเระทุกแล้วาคิดไปกับทุกมันต้องให้รู้ตัวอยู่องี้ตลอดเวลาเผื่อไปเอามารู้ตัวไม่ต้องบริกรรมตั้งแต่ตื่นนอนมาไม่ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธอะไรก็ไม่ต้องทําความรู้สึกตัวเนี่ยอยู่กับการเคลื่อนไหวของรา้อนนั่นแหละทําเราจะได้ภาวนาทั้งวันถ้าทําอย่างนี้เราไม่ต้องคอยแต่เวลาหลับตาใครเห็นไุกวันหนึ่งได้ครึ่นชั่วโมง คึ่งชั่วโมงจะอยู่ได้ถึงห้านาทีไหมที่มันอยู่จริงๆไม่ออกไปคิดข้างนอกเลยเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะไม่ถึงนะแล้วอีกยี่สิบสามชั่วโมงครึ่งเราไม่ได้ภาวนาวันละคึ้นชั่วโมงเนี้ยแล้วกินเลียดทางานตลอดเวลาสิถึงไงล่ะทํางานตลอดเวลาความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันทํางานตลอดเวลาคิดทั้งวันอ่าคิดก็ออกนอกหมดอาทิตย์หน้าก็สารพัดที่มันสภาไปนะทุก เกิดพอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจจะต้องยึดเดี๋ยวกับสารพัดน่ะปัญหามันเพราะความคิดน่ะเราไม่ทันความคิดมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ถ้านั้นถ้าเราสติมันทันความคิดแล้วมันจะไม่ทุกข์่ะทํามคิดมากก็รู้ทันมันก็ดับลมันก็ไม่ตอบเป็นเรื่องเป็นราวออกไปยืดยาวน่ะเพราะสติเราทันไอ้นี่สติเราไม่ทันมันคิดไปไหนก็ไปกับมันทั้งวันมันก็เป็นอยู่างนั้ทุกน้าทุกมื้อให้เรา มันอยู่ที่สติเรา อ, อันเดียวนี่ยนะทําได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับอย่าไปรอเฉพาะเวลานั่งหลับตาอ่ามันไม่ใช่ของยากนะมันมันเป็นงานเอาแค่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นงานทางใจเนี่ยเขาเรียกงานทางใจงานอยู่ข้างในนะแต่เราก็อาศัยงานข้างนอกเี่ยที่เราจับนี่จับนี่เรามีสติอยู่การการจับเนี่ยนะวางลงตัวลูกจับก็รูกทําอะไรก็วูกอยู่ตัวเนี่ยมันเสือไปเอามารู้ <นะ S 1> เดินเราก็รู้ว่าเราเดินนะนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอน อาบน้ําดี๋ก็รู้ถูสบู่อย่างนี้ก็รู้อาบน้ําเสร็จเช็ดตัวอีกก็รู้นะ <S <S นุ่งเสื้อนุ่งกางเกงแล้วก็รู้ตอวทั้งวันเนี่ยเดินขึ้นไปทําไหนไปเดินไปไหนรู้ตัวอย่างเงี้ยเผือไปเอามารู้ตัวอีกเนี่ยมันทำํำได้ภาวนาทั้งวันไม่ต้องนั่งหลับตานะ่ยนั่นแหละที่มันที่มันไม่เป็นเพราะเราจะคอยใจเวลานั่งหลับตามันเลยไม่ทันความคิดเลยไม่ทันกิเลสนะ กิเลสมันทำงานตลอดเวลาเราจะมาทําเฉพาะเวลาหลับตาแต่กิเลสมันทําตลอดเวลานะอ่ามันพาเราคิดไปตลอดเวลาเลยนะมันหยุดไม่ได้ความคิดมันต้องไปกับมันคิดขึ้นมากับไปกับมันทันทีถ้าโกรธก็ไปโกรธกับมันทันทีใช่ไหมเราโกรธไงแต่ถ้าเรามีสติเราจะไม่ไปกับความโกรธเนอะเราจะรู้ทันความโกรธเห็นมันโกรธขึ้นมาเรารู้ทันเราไม่ไปกับมันะทุกเบาลงทุกจะน้อยลงทีนี่ย ถ้าสติเราทันมันไม่ได้ยากนะภาวนานไม่ยากหรอกถ้าเราไม่รู้ร ว, วลลิธนะีมันก็ยากเราจะคอยแต่บอกว่าเวลาหลับตานมันก็ยากเนี่ยะวันนึ่งจะหลับตาได้ครึ่ชงชั่วโมงจะอยู่จริงๆกับครึ่งชั่วโมองอยู่ไม่ถึงห้านาทีเขาหายใจเขาพูดต่อโทรหรือบริกรรมพุโทโธหรือว่าไงอะไรหรอพุทโทพุทโทพุทโ ท, โทขนาดพุทโททียึบนี่มันยังจะออกไปชิดได้เลยนั่นเห็นไหมเพราะเราจะทําเฉพาะเวลาหลับตาแต่เวลาไม่หลับตาเราไม่ภ า, า, าวะนาะ เวลาไม่หลับตาเี่ยเวลาเยอะกว่าเวลานั่งหลับตาอีกนะตั้งแต่ตื่นนอนจนจนหลับเนี่ยเวลาเราไม่ได้หลับตาเนี่ยเอาเวลาที่ไม่หลับตาเราภาวนาใช่ไหมล่ะนั่นมันมีสติเนี่ยคือภาวนาแล้วไว้มีสติทําไงก็ได้ให้มันรู้ตัวอยู่กับเนี่ยเป็นปัจจุบันอยู่เนี่ยตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกวาภาวนาไม่เกี่ยวกับหลับตาหรือไม่หลับตานะไม่ไม่ไม่เฉพาะอยู่อย่างนี้ค่อยว่าภาวนาไม่ใช่อ่ามันได้ตลอดเวลาเลย เราทำงานอยู่นะั่นแหละเรามีสติอยู่กับงานที่เราทำงา น, นเป็นภาวนาหมดนะสตินะทําไงให้มันมีตลอดเวลาให้มันต่อเนื่องอยู่อย่างงั้นให้มันรู้ตัวต่อดนื่องแบบนะั้นเนี่ยได้ภาวนาทั้งวันนะไม่จําเป็นต้องหลับตามีเวลากลางคืนเออคอยมารับตานะมีเวลาเนาะชั่วโมงหรืชั่วโมงยังแบบว่าไปเนาะแต่เวลาเราไม่หลับตาก็ต้องทํานะไม่ใช่จะทําำเฉพาะเวลาหลับตานะี่ถ้าทําอย่างนี้ไม่นานนะถ้าทำสามเดือนจะต้องเห็นผลเลย เห็นความแตกต่างในทำงานา น, งนานนี่ยังทำงานแครับน า, นานแล้วนานแล้วนานแล้วแล้วมันสงบมันรวมมันลงสงบให้้างไหมมันนิ่งจิตมันนิ่งฟังไหมก็พอได้ครับเนี่ยพอได้นั่นแหละมันมันก็ได้ความนิ่งความสงบนะแต่ว่ามันก็ไม่ทันความคิดอยู่ดีล่ะเพราะว่าเราเราจะเน้นแต่ความสงบแต่เราไม่เน้นการมีสติตลอดเวลาทั้งวันใช่ไหมละ่ะ เราจะพอเลือกหลับตาแล้วก็คือไม่ได้ภาวนาเล ย, นะ ก, เยเล ก, ก็เคยเป็นงานนั้นหลวงพ่อเคยเป็นอย่างนั้นมานะแต่ก่อนไม่รู้วิธีก็ <c oughs> ทําเฉพาะเวลาหลับตาเนะี่ยแหละแต่เลิกหลับตาคือไม่ได้ภาวนาแต่นี่เรารู้วิธีแล้วเราจะต้องทําตลอดเวลานะคือนอนมาอยูะสะ่สติติดไป ก, กระตัวเนี่ยกับตัวไปทําอะไรก็มีสติรู้ยรหยรดตลอดเวลาแบบนั้นมันถือเอามารู้ยึดออย่างกินข้าวเนี่ยเราเอาข้าวเข้ า, ขาปากเราก็ต้องรู้ จับเข้าเขา้าฝากระลุเที่ยวอยู่กระลุลื่น ล, ลงไปก็ต้องรู้จับเข้าเอากระลุเนี่ยมันเถอะไปเอามาลุอีกเนี่ยทำอย่างเงี้ยตลอดเวลานี่ยนั่นเขาเรียกได้ภาวนาทั้งวันไม่ต้องนั่งหลับตานะอะน่นเขาเรียกในรูปแบบนั่งหลับตานี่ยเขาเรียกในรูปแบบอันนี้ลบนอกรูปแบบสงครามฟองจนไม่มีรูปแบบแล้วลบได้ตลอดเวลานะถ้าเป็นนักวยก็ไม่ต้องไหวรูขึ้นเวทีแล้วต่อยเลยนะเนี่ยต่อยเลยคือมีสติรู้ตัวตั้งแต่ตื่นนอนเลยเนี่ยนยต่อยเลยนะไม่ต้องไปรอ ไม่ต้องไปรอนั่งหลับตาเพืว่าภาวนานะมันมยากเลยว่าจะทําได้ทั้งวันต่อไปนะมันมันเป็นการภาวนาอยู่ตลอดเวลาทุกเรืยอบทนะเวลาเรานั่งหลับตาในชะ่ไหมบริกรรมแล้วก็เอาหนักง้างเมื่อยแล้วเออไม่อนอนเแี้ยนอนเราก็รู้ตัวเนี่ยนอนลงก็รู้ตัวจะบริกรรมพุทโธหรือหายใจเอาพุออทโธก็ได้มันแบกออกไปเอาเขามาอยู่กับลมเข้าพุทโธออกโตัวไง ทำอย่างเงี้จนหลันอนหลับทุกวันทุกคืนทำอย่างเงี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเลยภาวนาแบบนี้นนะแล้วมันได้ผลใบเนะพราะเราทำไม่หยุดใช่ไหมละ่ะเราไม่ต้องไปรอเวลาเออจะต้องนั่งหลับตาองเี้เราถึงจะว่าภาวนาเนี่ไม่ไ ม, ม่เกี่ยวเลยนะมันทำได้ตลอดเห็นผลไปจะ่ทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนะเห็นผลใบเห็นผลไจะเห็นความแตกต่างภายในหนเดือนนี่ก็น่าจะเห็นความแตกต่างแ ล, ล้วล่ะ ว่าสติเราดีขึ้นมันเฉือน้อยลงนะสะติเราจะทำความคิดอะไรขึ้นมันจะเฉือน้อยลงมันคิดไปมันจะรู้ทันใหเนี่ยต้องทําอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่ปีนอนจนหลับแล้วอย่างแต่ก่อนนี้เขากับเขากับฉุนเขียวอยู่เรื่อยนะั่นเะนะี่ยให้พูดงั้นเขาขหูก็ไม่ได้ก็ได้หรอกอาเปียสัดขึ้นทันที <c oughs> แล้วตอนนี้เป็นไงดีขึ้นนะทันนะไม่สวนทันทีนะเขาพูดอเห็นไ้วะสะติมันจะทันอย่างแบบนี้แล้วทุกเราน้อยลงนะ ทุกเราที่เราเคยมากมากมันจะเบาลงไปเรื่อยเบาลงเรื่อยเบาลงเพราะว่าเรารู้ทันมันแล้วไม่ไปกับมันไม่ไปกับความคิดไม่ไปกับความโกรธเราตีทันแล้วไม่ไปแล้วก็เบาแหละทุกน้อยลงไปเรื่อยน้อยลงไปเรื่อยตัดสั้นเข้ามาแนเนี่ยมันจะแคบเขามาด้วยแคบลง้ามาด้วยการเกิดตายสั้นลงไปพร้อมกันทุกจะเบาลงไปพร้อมกันนะแต่สติดีเท่าไรทุกจะน้อยลงเท่านั้นที่เราทุกเพราะเราสติเราไม่ทันความคิดพอฝึกไปอย่างนี้มันจะทันความคิด ทันความคิดอีกคิดมาก็รู้ทันโกรธมาก็รู้ทันนมันก็เบาแล้วเฉียดเบาบางนะอันนี้เราไม่ทันนะมิจะไปกับมันทันทีอคิดมาก็ไปกับมันโกรธมาก็ไปกับมันหมดเพราะสติเราไม่มีไม่ใช่อะไรหรอกมิอันเดียวก็ไม่มีสติสติอันเดียวนะมันไม่ได้ยากหรอกของง่ายๆนะแต่เราเราไม่รู้มันก็เลยยากเราไม่รู้วิธีเราจะทําเฉพาะเวลาหลับตามันเนี่ยมันคืงยาก เราไม่รู้ว่าเออมันทําได้ตลอดเวลาเราไม่เข้าใจนะเราว่าจะทําได้เฉพาะเวลาหลับตาเนี้ยมันก็ไม่ทันกะิเลสนะกิเลสมันทํางานตลอดเวลามันไม่ได้ผ่อนให้เราเรากว่าเวลาเราหลับตาค่อยมาทางานอย่างเงี้ยมันไม่ใช่กิเลสมันทําตลอดเวลาเพิ่มไม่ได้เพิอมมาเลยลุงกับ เ, เป็นเป็นธาตรับใช้มัน ท, ทันทีนะไปอดีตนานาพุททันทีหรือเผิออะไรก็ไปอิีตนานาพุทธก็ธไปทํางานให้กิเลสนั่นแหละมันช่ไปไหนแล้วทุกกลับมากะทุก ไปโกให้เขาเราก็ทุกข์เหมือนเดิมนะไปไม่พอใจให้คนนั้นคนนี้ก็ทุกข์ไปหงุดหงิดให้เขาเราก็ทุกข์มันมันมาหาเราหมดเพราะสติเราไม่ทันความคิดอันเดียวมีสติอันเดียวแล้วจบนะอยู่ที่สติอันเดียวอย่าไปเน้นความสงบให้เน้นสติรู้สึกตัวทั้งวันเข้าใจไหมทีนั้นั่นน่ะต้องต้องต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวไม่สิไม่ต้องนะเออหือนอนมากก็บอกแล้วขึ้นเวทีต่อยสตีไม่ต้องไหว้ภูมิมันหลุดครับหลุดไปเอากลับมารู้ หลุไปแล้วครับอ่ะเราไปแล้วเนอากลับมารู้เหมือนเดิมคือมันหลุดไปแล้วเนี่ยเรารว่มันหลุดไปแล้วคือเรามีสติกลับมาแล้วครับถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่รู้ว่ามันหลุดน่ะมีสติแล้วเน่ยที่รู้ว่าหลุดสติมีแล้วสติไปดุพี่น้องนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันหลุดไปแล้วน่ะมันหลุดไปแล้วกับค่อยมาเสียใจเราไม่น่าเลยนะไม่น่าไปดุเลยน่ะไม่น่าดุเลยน่ะมาโทษตัวเองเนี่ยเอ๊ะไม่น่าไม่น่าเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหัวหายรวมพอกสติไม่ทัน เนี Leaving, kaufen, Aa, you know, ่ยถ้าทุกจะติดต่อไปจะไม่ได้ดูลูกน้องเลยพอมันจะดูขึ้นมารู้ทันไม่ไปซะละทำงานไปเยอะนั่นแหละนั่นแหละนั่นเยอะแล้วลูกน้องมอียดนั่นแหละนั่นแหละไม่เอียดนังนมันจะเป็นก็เลยไ่ดูนั่นแหละถ้าเราไม่ดูมันก็เขาก็ตั้งใจแล้วแต่เราดูเขานั่นแหละมันก็น้อยใจลูกน้องเราร้อยใจในที่นี้เออกูก็ทำดีของกูพอแรงล้วนึ่งยังโดนดุอีกเงี้ยมันก็จะหมดกําลังใจท้อถอยนะแต่ถ้าเราเอื้อให้กําลังใจนี่อะไรผิดพลาดก็ได้แก้ตัวใหม่ เนี่ยสติเราทันความคิดเรานะมันจะเป็นงั้นอ่าเนี่ยมันให้ฝึกสติให้ทันต่อไปมันจะไม่เป็นอย่างนี้หละครับสติอันเดยวเนี่ที่จะไปหยุดมันได้นะหยุดในความไม่ทันไงล่ะมันไม่ทันความคิดเนี่ยเพราะอะไรสติเราไม่ทันแต่ถ้าสตีทันเนี่ยจะไม่ได้ดูแลนะรูทันก็จะอ้าปากด่างเนี้ยเออดูทันเลยนะเบ็ดทำดีเลยยุดนะแบบนี้เลยนะสติเนี่ยตัวคือตัวเบ็ดตัวห้ามเลยสตินะรูทัน แต่ถ้าเรารู้ไม่ทันก็อย่างนี้นะนะมันมันมันคนนั้นนะพทดทดมากกว่าสวนทันทีปิดทันทีแล้วไม่กลัเดียวกันนถ้าพอถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันเนี่ยมันจะทันแล้วมันจะเปลี่ยนไปเลยมันเขาจะนั่นเลยเขาจะเห็นความแตกต่างในลูกน้องเราแลก็จะเห็นความแตกต่างเรือแต่ก่อนหพรหน้าเราไม่เป็นอย่างนี้ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างถ้าสติเราทันดีแล้วนะมันจะเป็นมันจะเป็นคน อารมณ์ไม่ไม่เหมือนเดิมนะมันจะนิ่อยากว่ามันจะนิ่งขึ้นฮะไม่เรียกใช่นั่นแหละมันจะมันจะไม่ไปทันทีปกติถ้าเราไม่ไม่มีสติมันจะสวนไปทันทีนะแล้วก็ค่อยมาเขียนิศใดทีหลังอันนี้มันจะทันก่อนมันจะทันก่อนแล้วมันจะยังไม่ทันเป็นไปว่าไปดาอะไรหเนี่ยมันแล้วก็จะดีสิเนี่ยมันก็เอองานทุกอย่างราบรื่นลูกน้องเขาก็จะดีขึ้นนะถ้าเราดีขึ้นแล้วลูกน้องน้องเราดีขึ้นหมด มันอยู่ที่อารมณ์ของเราเนี่ยให้มันให้มันทัดทันให้ทันความคิดให้ทันอารมณ์ของเราที่มาทําให้เราหงุดหงิดเราต้องต้องรู้ทันมันแล้วเราอย่าไปรับใช้มันนั่นแหะมันเป็นผลเสียกับเราเราไปรับใช้มันเราใช้แต่อารมณ์เพราะเราไม่มีสติทันมันแต่ฝุดไปต่อไปเนี่ยต่อไปมันจะทันแล้วมันจะดีขึ้นอยู่ที่สติเรเจะฝุดไปเรื่อยๆเดือนหนึงต้องเห็นผลแตกแตกต่างจากเดิมแน่นอนภายในหนึ่งเดือนเนี่ยนะ ทำตั้แต่ปีนอนจนหลับอย่างที่พ่อบอกนะลอบรองเห็นความแตกต่างแน่นอนนันจะทันไปเรื่อยความคิดเผลอก็ไม่แต่นไรเผลอก็เอามารู้ตัวมันเด้อมันเป็นธรรมดามันเป็นปกติมันต้องเผลอยู่แล้วมันไม่ใช่ทันทีมันจะอยู่ให้ทันทีนะมันก็ต้องขออาศัยการฝึกไปเรื่อยๆสะสมกําลังของสติไปเรื่อยๆแล้วมันจะทันมันจะทันไวไปเรื่อยทันความคิดไปเรื่อยแล้วเราจะเป็นทาสของความคิดน้อยลง ความคิดมันไปใช้เราน้อยลงความโกรธมันจะได้ใช้เราน้อยลงเพราะเรารู้ซันมันอ่ามันอยู่ที่สติเราเดียวตัวยับยั้งคือสติทําได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับไม่มีปัญหาจั้งใจทำเอานะเหมือนกันทําเหมือนกันแบบเดียวกันเนี่ยไม่ใช่จะเราจะทําเฉพาะเวลาหลับตานะน่ือในรูปในรูปแบบหลับตานี่คือในรูปแบบแต่ที่อย่างหลงพ่อบอกนี่ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนี่คือนอกรูปแบบเพื่อทําได้ตลอดจะไป คิดว่าเออจะต้องนั่งหลับจ่าเพราะนั้นถึงจะภาวนาได้มันอยู่ที่สติไงมันต่อเนื่องอยังไงมันก็ได้ภาวนาทั้งวันทําไงก็ได้ให้มีสติเอาเผื่อเอามารู้ตัวเหมือนเดิมแค่นั้นเนี่ยมันก็เผือเป็นธรรมดาเผือเอามารู้ตัวเผือทั้งวันก็เอามารู้ตัวทั้งวันนี่แหละมันไม่ได้ยากหรออยู่ที่เราเนี่ยจะเอามไหมถ้าเราไม่เอาแล้วก็เป็นธาตุรับใช้มันอยู่ไม่จบนี่สิมันก็ทําให้เราทุกข์อยู่เอยนะพอมันโกดแล้วก็เราก็ไป ตอบสนองมันทันทีพอความโกรธมาใหมนะ้มันแล้วก็มาเสียใจทีหลังไม่น่าเลยเพราะสติเราไม่ทันมันไม่มีอะไรหรอกสติพี่เอ๋อฝึกไหนานขนาดนีนะก็พยายามอ่านแล้วก็ฝึกทือเองทำเองก็มันก็ พอไปหาผงก็ไปหาพระเไปไปหาผู้บาอาจารย์อยู่ใช่ไหมก็ไหว้พระก็มาฝึกตัวเองตัวเองคนใจร้อนนั่นแหละเนี่ยต้องฝึกต้องมีต้องมีสติทำงานมันต้องวันมันเยอะมากนั่นแหละนั่นแหละมันก็ต้องมีสติไม่งั้นจะพูดคำว่าต้องสติแต่ว่าเราที่ว่าเรางพ่อบอกเราไม่ทันันบางทีเราไม่ทันบางทีก็มีสติแต่ไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรมันเผลอไปเอามารู้ ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปหมุดเหงียดนะที่มันมันผ่านไปแล้วคือมันแล้วไปแล้วเราเลิกใหม่จริงๆเริกใหม่เร อ, อย่างนิ่งไม่พอเพรมันสติเรายัางไม่ทันเพราะเราเน้นแต่ความสงบใช่ไหมนั่งหลับตาเนี่ยเราไปจะให้มันให้มันสงบแต่เวลาเราไม่ได้หลับตาเราไม่ภาวนา น, นีครับทําไมอันนี้เนี่ยรู้วิธีใหม่แล้วภาวนานได้ตลอดเวลาทําได้ตลอดเนี่ยภาวนานได้ทั้งวันเลยไม่ต้องนั่งหลับตานี่ยมีเวลากลางคืงเนเอาไปหลับตา<ม>จะเอาขึ้นชั่วโมงหรือชั่วโม ง, งนึงก็แล้วแต่ แต่ช่วงไหนที่เราไม่ได้นั่งหลับตาเราต้องทําสติฝึกสติอยู่ตลอดเวลานะเนี่ยทําอย่างนี้มันเดือนนึงเห็นผลรับรองะทําตามนี่นะเนี่ยไม่ผิดหวังถ้าทําอย่างงี้งรับรองนะแต่ก่อนมันไม่รู้วิธีมันก็ยากเลยเพราะเราจะคอยแต่หลับตาค่อยว่าเพลานะอันนี้ไม่เกี่ยวกับหลับตาไม่หลับตาทําได้ตลอดเพราะกิเลสมันก็ทํางานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ก, กิเลสนนมั น, ม, นมันไม่ใช่จะลดจะทํางานเฉพาะเวลาเราหลับตานะ กลีลสมันทำให้เราโกรธได้ตลอดเวลาหลับตาไม่หลับตามก็ทําให้โกรธได้อบางทีไปทําอะไรอยู่เนี่ยมันก็เอาอารมณ์ที่ข้างๆอยู่มันมาคิดมันก็โกรธขึ้นมาอีกได้นั่งหลับตาภาวนาไม่ได้โกรธได้เลยเคยโกรธไหมนั่งหลับตายภาวนาอยู่เนี่ยคิดถึงคเอคําพูดหรืออะไรเป็นไม่ประสบอารมณ์เรานเนี่ยโนั่นแหละพรอเรามันหลับตามันคิดไปมันไม่ทันความริงโกรธขึ้มาอีล้วนั่นแหละรับมานั่นแหละนั่นแหละมันเนี่ยมันเราต้องเอาให้ได้ตลอดเวลาทนี้ ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะทําให้ได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับอย่างที่พ่อบอกภายในดึงเดือนเนี่ยผู้ว่าจะต้องเห็นผลขึ้นมาแล้วว่าสติเราทันไว้ขึ้นต่อไปลูกน้องจะแปลกใจนะเอ๊ะทําไมไม่เหมือนเดิมเนีไงนะนะแต่ก่อนอารมณ์ฉุนเฉียวตอนนี้เออลู่มสุขุมลุ่มลึกขึ้นนะทันนะเขาจะรู้เลยนะต่อไปมันอยู่ที่การฝึกของเรามันฝึกได้หมดนะ นี่คนเราเป็นคนแท้ๆนี่ะพูดภาษาคนรู้เรื่องทําไมจะฝึกไม่ได้สัตว์เดรัจฉานเขาพูดภาษาคนก็ไม่ได้ทํำไมเขาฝึกเนี่ยเห็นไหมช่างเขายังฝึกหลกักสูงหลักอะไรได้นะเป็ดระบำจําอะไรเขาได้อือนะอย่างหมาเงี้ยเขาบอกเป็นฝึกดมยาเสพติดเป็นอะไรเขาได้หมดนต่มาอยู่ที่การฝึกแต่ถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่ได้มันต้องอาศัยการฝึกอยู่ตลอดเวลาอย่างที่บอกต้งแารตื่นนอนจารหลับให้มีสติอยู่กับตัวเราตลอดเวลานะ อันนี้วิธีง่ายที่สุดแล้ววิธีที่อพอบอกนคือมันมันทำได้ตลอดเวลานะมันมันทําได้ตั้งแต่ตื่นนอนคือมันไม่ต้องคอยเวลาหลับตาอนะมันทําได้ตลอดเนะี่ยอาศัยงานในจิตวิทยาประจําวันของเราเออกมาฝึกสติเดินเรากปลุกว่าเดินนะทําอะไรรูุนั่งกปลุกว่าดังกินข้าว็รู้อาบน้ำปลุกทําอะไรทุกสิ่งอย่างรู้ตัวอยู่งั้นมันเผลอก็ไม่เป็นแล้เอากลับมารูกอีกเผลอแล้วเอากลับมารูกอีกตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับทําดี่อย่างนั้น เนี่ยเขาเลยปดต่อยต่อสู้อยู่ตลอดไม่ไม่ใช่ให้เขาต่อยอยู่ข้างเดียวแต่ก่อนเราให้เขาต่อยข้างเดียวเราจะมาต่อยเฉพาะเวลาเรานั่งหลับตาในวันเราึ่งชั่วโมงนะแล้วอีกนั่นเขาตกปล่อยให้เขาต่อยหมดอันนี้เราต่อยตึกๆตื่นนอนมาเลยไม่ต้องไหว้คู่เนี่ยขึ้นเวทีเราต่อยทันทีไม่ต้องไหว้คู่นะไม่งั้นหมอดแต่ไหว้คู่เรียยต่อยแล้วก่อนนะเราต้องต่อยมันตะก่อนมันต่อยยังคือมีสติตเนี่ยตั้งกากอยู่ตลอด มีสตินี่คือตั้งการดอะไรทันมารูกหมดนะพกไม่พอใจกับลูกมันคิดออกไปกับลูกนะมันหุดหิดขึ้นมารูกเนี่ยมันจะทันแบบนี้เราตั้งการดอยู่ตลอดสติมีอยู่ตลอดนี่นะแค่ละเราจะชนะมันต่อไปนะเราจะไม่เหมือนเดิมอาจจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่อรนี้เพราะสติเราดีทันกิเลดแล้วทันความคิดร่างมันก็เปลี่ยนนะอารมณ์ขวยหุดหยิดมันเกิดจะรู้ทันนะเป็นคนอารมณ์เย็นลงนะเพ็งอะ มันอยู่ที่การฝึตรตกต้องทําให้มันโตนื่อย่างที่หลวงพ่อบอกทำให้มันโตนี่จะไปทํำเฉพาะเวลาโดนนั่งหนับตายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเออต้องมีสติเลยเนี่ยไปอาบน้ําก็ต้องรู้ถูถสบู่อยู่นี่กรู้เห็นไหมอาบน้ำถูสบู่ก็รู้อาบน้ําเสร็จเช็ดตัวก็รู้เช็ดตัวนุ่งกางเกงนุ่งเสื้อก็รู้เดื้อไปไหนรู้อย่างเงี้ยมันเผือเรามารู้อีก อ่าแค่นั ite, want, so okay. ้นไม่ต like ้องเป็นหงุดหิตให้มันหรอกเวลามันเผลอไม่ต้องเป็นหงุดหิดเออมึงเผลออีกแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องนะเอากลับมารู้ตัวแค่นั้นทำบายสบายอย่าไปเครียดอย่าไปทําแบบเคร่งเครียดนะทําสบายเหมือนเหมือนกับที่เราเป็นปกติน่ะเป็นธรรมชาติที่สุดแต่เราให้มีความรู้สึกตัวนั่งให้มีความรู้สึกตัวแต่ก่อนธรรมชาติของเรามันจะไม่มีความรู้สึกตัวนะมันจะปล่อยยิบไปไหลไปกับความคิดปรุงแต่งทั้งวัน นะมันธรรมชาติอีกแบบนึงอันนี้ที่เราจะธรรมชาติให้มันรู้ตัวจะไม่ไปกับความคิดมันคิดมาเอากลับมารู้ตัวเน่ยทําอย่างเนี้ยตลอดเวลาเว้นไว้ตลับเว้นไว้ตลับที่เราจะไม่ทําก็ปล่อยให้มันหลับไปพอตื่นมาเราทำทันทีเลยตอนเช้าสติต้ตองติดไปกับตัวเนี่ยไปกับตัวเลยจะไปทําภารกิจส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ละอนเช้าน่ะต้องส ต, ติต้องรู้ตัวตลอดนี่ยทําอย่างนี้ทุกวันไม่นานหรอกเดือนนึ่งเห็นผลแนนะ่นอน เห็นผลลูกน้องจะแปลกใจต่อไปไม่เหมือนเดิมเป็นคนใหม่เลยอ่ะจริงลองดูลองดูก่อนให้ขั้นธุ์ทดลองงานเนี่ยเดือนสองเดือนเนี่ยเห็นความแตกต่างแน่นอนอ่ะจริงจริมันเห็นความแตกต่างแล้วเนี่ยมันเห็นแต่ความแตกต่างหรือยังอ่ะเรยได้ฟ น, นั่นแหละมันอยู่ที่ความต่อเนื่องของสติเราน่ะมันเผือรีบเอามารู้ง มันเผื่อไม่เป็นไรเอามารู้ยี่เผื่อทั้งวันเอามารู้ทั้งวันอยู่เงี้ยมีอะไรสงสั ย, ยจะถา ม, มาได้เแล้วที่หลวงพ่อพูดว่าไอ้แรงที่เป็นบ้าลูกน้องอเป็นกรรมไยเอ้ามันก็ลูกน้องมันก็คิดอคติกับเราถ้าเราไม่มีเหตุมีผลนะแต่ถ้ามีเหตุมีผลก็ยอมรับได้อ่เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรทำผิดเนี่ยแต่ว่ากัดใจเขา ใ, ใจเราเราคิดดูใช่ไหม เราก็เคยเป็นผู้น้อยมาเนี้ยนะโงนคดตําหนิมาเนี่ยนะหัวหน้าตําหนิเลื่อกใครก็แล้วแต่ละมันก็ต้องมีน้อยใจมีขัดเคืองบ้างใช่ไหมละ่นะมันก็เป็นธรรมดาแต่ที่นี้ถ้าเรามีเหตุมีผลเนี่ยแล้วก็บอกไปตามเหตุตามผลเขาก็รับได้ะบอกตามเหตุตามผลบอกกันดีๆไม่ใช่ไปใช้อารมณ์แบบเนะี่ยมันก็ไม่ได้นะใจขาใจแเราเราคิดดูไปแล้วกันใจเขาใจเรากันเดียวกันนะอเลยพอมาใช้อารมณเร์เราเราชอบไหมละ่ะ ก็เหมือนกันไม่ใช่เราเออเราเป็นหัวหน้าแล้วจะจะด่าลูกน้องอยังไงก็ได้ก็ไม่ใช่มันก็ต้องโดยทำต้องมีทำอยู่ในการสอนนะก็เหมือนพ่อแม่ตีลูกตีไปด้วยโมโหไปด้วยทั้งดา่าทั้งเตือนไงเท่าไหร่มันก็มีความโมโหใส่ไปในการตีลูกสอนลูกด้วยใช่ไหมล่ะอ่านะก็เหมือนเรานำร้อนไปลถต้นไม้ น, มนี่มันก็นะมันก็เฉานะมันไมันมีควน้ําเย็น เอาอารมณ์เราก็ลังหุดหนิดกาลังนั้นเราไปบอกไปสอนไปด่าเนี่ยคือมันมันใส่ความโกรธเข้าไปด้วยแต่ถ้าตอนเราอารมณ์ดีแล้วเนี่ยมันก็อีกแบบหนึ่งเสียงมันจะเปลี่ยนนะเวลาไม่พอใจขึ้นมาเสียงมันจะอีกแบบนึงนแต่เวลาอารมณ์เราสงบเย็นแล้วไปพูดมันอีกแบบหงเนี่ยมันน้ําร้อนกับน้ําเย็นคนฟังเขาเออเขาก็เย็นไปด้วยนะถ้าเราอารมณ์เราดีนะแต่ถ้าเราอารมณ์ไม่ดีคนฟังก็ร้อนไปด้วยเหมือนกันอ่มันอยู่ที่คําพูดจะพูดแค่ข้าว่้าเราก็ได้ พูดให้เขาสสมสารเราก็ได้พูดให้เขาหัวเราะร้องไห้ก็ได้หมดมันอยู่ที่เรานาะคําพูดเนี่ยมันอยู่ที่คําพูดเรามันก็อยู่ที่ใจเราด้วยว่าเราจะใช้คําพูดแบบไหนกับคนคนนี้หรืออะไรมันมันทํามันมีสติแล้วมันจะรู้ของมันหรอมันจะรู้ของมันเออควรจะพูดหนักพูดเบาขนาดไหนนะแต่ถ้าเรามีสติเราไม่มีสติเราจะใส่แต่ลมเข้าไปทำไมล่ะคนฟังมันเกิดบางทีเขาก็รับไม่ได้นะแต่เขาก็ต้องยำทนฟัง นีะฮะเราก็ต้องเนี่ยใจขอใจเราเราก็คิดอย่างเงี้ยเออใจขาใจเราเราก็เคยเป็นผู้น้อยมาหมดนั่นแหละใช่ไหมไม่ใช่กาไม่เป็นหัวหน้าเดีเลยมันก็ไล่จากผู้น้อยขึ้นมามาเป็นผู้ใหญ่ใะเราก็ต้องรู้ประสบการณ์เราก็ต้องมีมาผ่านมาหมดแล้วแหละเราเป็นผู้น้อยมาผู้ใหญ่มาตำหนิตีเตียนเราเราทั้งที่เราก็ตั้งใจทํางานมานย่ี้เรามาตำหนิเนี่ยเขาก็มีความน้อยใจบ้างนะใจขอใจเราอันเดียวกัน ก็พูดตามเหตุตามผลสอนกันได้ไม่ใช่สอนไม่ได้นักแต่ก็สอนยับความเมตตากันนะด้วยเหตุด้วยผลสอนกันด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ใช้อารมณ์ไปสอนกันมันมันโมโหขึ้นมามันก็ต้องใช้อารมณ์คนเราถ้ามีโมโหถ้าสติเราไม่ทันนะแต่ถ้าสติเราทันมันก็จะพูดแบบเหมือนครอบครัวเดียวกันพูดแบบกันเองอะไรเงี้ยมันแบบโหขุ่นนะ ลูกน้องเราก็อบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยทุกตัวเป็นคนละอย่างนะมันก็อยู่ที่เราจะทันควา ม, มาาคามมดิคมดมากน้อยขนาดไหนจะทำความหงุดหงิดความโกรธมากน้อยขนาดไหนอ่ามันอยู่ที่สติเราเนี่ยนะผู้ว่าก็ซึบถูกสติไปถูกทันไปอย่างหลวงพ่บอกเนะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะมันก็มีธรรมดาแลววาหละความหงุดหงิดนะมันจะให้ถูกใจเราไปทุกอย่างเลยมันเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้นะ บางทีเขาอาจจะทําดีกับเราขนาดนี้ทาเราไม่ถูกใจเราแล้วก็ว่ามไม่ดีอยู่ดีเพราะอะไรเพราะเรายังมีกิเลสในใจอยู่มันจะเป็นงนะเราก็ต้องพยายามแก้ไขเราไปแก้ไขจิตใจของเราเี่มีสติทันแล้วมันจะรู้เองจะรู้ทันเองนะความคิดความปรุงความแสงความหมดหงิดความพอใจความไม่พอใจมันจะรู้ทันยามันจะไม่ไม่ไปทําตามที่มันบังคับให้เรา ท, ทําำคือกิเลสบังคับให้เราทํานะ เราจะมีเหตุมีผลขึ้นนะลูกน้องภายใต้ของครับบัญชาของเราก็เขาก็จะดีกับเราหมดกนะันแลเพราะว่าเราปกครองด้วยธรรมมีธรรมไม่ใช้อารมณ์เนะพราะสติเราทําอารมณ์ที่จะโกรธความหงุดหงิดอะไรสติเราทันเราฝึก ส, สติแล้วมันจะอยู่กันด้วยความกอคุญนะดนวยคืวามอบุญเป็นครอบครัวเดียวกันมีอะไรกันบอกสอนกัน ดีๆนะไม่ใช้อารมณ์นะมันจะเป็นเนาะเข้าใจนะเข้าใจหรือเปล่าแต่มาทำแล้วเขาแล้วเขาอีกเขาแล้วเขาอีกเขาแล้วเขาอีกเนี้ยทำอะไรอะไรนะมึงเขาสอนแล้วอะไรก็มันก็เป็นเหมือนมันเหมือนก็ทําเหมือนเดิมนันแหละมันมันคนเนี่ยมันมีหลายประเภทอ่มันคนมันมีหลายประเภทเนี่ยประเภทพูดสองสามคำรู้เรื่องก็มีแต่บางคนกูดแล้วพูดอีกะมันก็ไม่เข้าใจมันก็มีหลายระดับคนนะ นั่นแหละเราจะจะให้ได้อย่างใจเรานั้นเป็นไปไม่ได้หรอกเขาทำนะไงหลวงพ่อทำไงก็เราค่อยๆบอกให้ยสอนไปเนี่ยก็บอกไปเหมือนเดิมแต่ว่าอารมณ์เราก็ต้องรู้ทําด้วยงานไมรีบเขาทำไงเขาไม่เขาไม่ทำเออก็น่นก็ไม่เป็นแล้วเราก็ ก, ก็ก็บอกตามหน้าที่เราก็บอกเหมือนเดิมน่แหละแต่ก็บอกแบบนวลหน่อยนะเออแบบบอกแบบนวลๆนวลคือแบบไม่ใช้อารมณ์เหมือนแต่ก่อนเงี้ยเพราะสติเราทันเราจะจะรู้เองหรอกสติ ทันแล้วเราจะรู้ของเราเองอ่มันมันจะกับการพูดออกไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนตอนเราโกรธแล้วถ้าจะถ้าเรามีสติถ้าเรารู้ทันมันแล้วมันจะมันจะน่าฟังน้ําเสียงอะไรมันก็จะมันจะน่าฟังนะมันอ่ะล่ะมันมันก็ต้องมีแบบเนี้อยู่แล้วหล่ะคนมันเยอะเนาะคนส่วนมากลูกน้องมันเยอะอยู่มันก็ต้องมีบางอไอ้ที่บอกยากสอนยาก บางคนก็อาจจะพูดไม่หลายคำมันก็เข้าใจบางคนก็อาจจะพูดปากแล้วที่พูดอีกปากเปียกปากแฉมมันก็ไม่เข้าใจไงมันก็ต้องทําไงได้มันเป็นผู้ใจบังคับบัญชาเรามันก็ต้องคุยกับเขาไปงั้นก็บอกตามเดิมะแต่ว่าเราต้องรู้ทันด้วยแล้วว่าเราบอกไปเนี่ยผสมกับความโกรธเราด้วยไหมอ่าเ น, นี่ยมันอยู่ตรงนี้นะผสมไม่ได้ไงนั่นแหละถ้า ม, มีความโกรธไปด้วยเนี่ยคนฟังมันก็อีกแหละ สมมติกระแสมันจะถึงกันเลยนะคือมันทั้งน้ําเสียงทั้งหน้าตากิริยาอาการเน่ยมันจะบอกไปด้วยกันหมดเลยนะเราบอกด้วยความเมตตากันหรือแบบบอกแบบด้วยความกดไปด้วยเนี่ยมันมันจะน้ําเสียงอะไรมันจะผิดกันแล้วคนฟังมันจะไม่เหมือนกันจีกแหละนะเพราะมันจะรู้เองมันจะรู้สัมการสัมผัสมันจะรู้เราก็เนี่ย ผู้ว่าแต่สติอันเดียวเนี่ยมันฝึกสติไปอย่างที่พ่อบอกเดี๋ยวมันจะดีเองนะมันก็เผลอบ้างไม่เป็นไรใหม่ๆมันจะต้องเผลออยู่แล้ว่ะเพราะว่าเราเราปล่อยมานานใช่ไหมละ่ะเราปล่อยมานานเราจะเน้นแต่ความสงบหลักตาอย่างนี้ยแต่เวลาไม่ได้หลับตาเราไม่ภาวนานนมันก็เลยไม่ทันแต่ที่นี่ก็ทําอย่างที่พ่อบอกนะตื่นนอนมาเรารู้ตัวตทันทีมีสติจะไปทําอะไรสติอยู่รู้ตัวทั้งวันมันเผลอไม่เป็นไรกลับมารู้ตัวอีกเนี่ยทําเนี้มันเผลอไปกับความคิดเอามารู้ตัวอีก มันอาจจะรู้ช้าใหม่ๆมันอาจจะทันช้าหน่อยนะแต่จะฝุดไปเรื่อยๆแล้วมันจะทันไวไปเรื่อยจะทันไวไปเรื่อยเองบางทีก็บางทีก็จะต้นตัวเองว่ามีสติสติสติแต่ทําไม่ทันไม่ไม่เอาเอาไม่ทันัเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ได้ทําแบบหลวงพ่อบอกทําให้ตอนนั้นยังไม่ได้ทําแบบนี้ทําแต่พราะเวลาหลับตาใช่ไหมทีนี้มาทําอย่างหลวงพ่อบอกในภายในเดือนหนึ่จะเห็นผลนะจะเห็นผลแน่นอนว่าว่ามันจะทัน มันจะทันไปกว่านี้ไปเรื่อยแมันจะทันไปไปเรื่อยนะพอนกดขึ้นมาก็จะรู้ทันต่อไปนะมันจะยังไม่ได้ใช้ความโกดเต็มร้อยมันจะก่อนเพราะสติมันจะทันนะฝุดนี้ขึ้นมาเหมือเรื่องมรู้ทันแล้วทํามีสตินะมันรู้ทันแล้วมันจะไม่ปล่อยไปทันทีนะมันจะไม่สวนทันทีเพราะสติเรามีมันจะรู้ทันนะมันรู้ทันสติทันแต่เราให้มันทันไปเรื่อยหลังฝุดไปเรื่อยแล้วมันทันเองอ่ะลองดูนะลองดื่ม ประมาณเดือนนึงเนี่ยจะต้องเห็นผลแน่นอนต้องแต่ต้องทําอย่างน้องพ่อบอกนะนนตั้งแต่ตื่นนอนจะหลับนี่นะนแล้วเวลาเนี่ยเรานั่งกลางคืนนะสมมตินั่งครึ่งชั่วโมงก็มันเคลียแล้วเว้ยแล้วก็นอนอ เ, วเวลานอน เ, าเอาราก็หายใจเขาพุดธออกโทรหรือบริกรรมพุดโทไปงี้จนหลับเราปวดท้องเคลียกลางนเดินจะลุกจะขึ้นอนอนไปไปขี่กระลุกตัวไปเดินไปฉี่กระลกกลับมานอนกระลุกนอนจะที่จะแทงซ้ายแต่แทงขวากระลุนอนหงายกระลุเนี่ยมันต้องลุกอย่างเงี้ยอยู่กับตัวอย่างเงี้ยตลอด อยู่ก็บลมเข้าออกไยลมเขาก็ลมบอกก็รู้เนี่ยอยาให้มันออกไปคิดข้างนอกเอาคิดไปเอากลับมารู้อีกเอากลับมาอยู่ภาวนาเนี่ยจะทําเออเดือนหนึ่งก็เห็นผลแล้วนะถ้าทําอย่างลูกศิษหลวงพ่อบอกนะเดือนหนึ่งนี่เห็นผลแน่นอนถ้าทําอย่างนี้ตั้งใจทำเอาเอาแล่ะตอนเราไปทํางานเนี่ยแล้วก็เนี้ยเราทำนู่นทำนี่เดินไปนู่นมานี่จับอะไรเนี่ยนะมีจิสติรู้คุณกัที่เราจับนู่นจับนี่เนี่ยเราพูดอยู่นี้เราก็รู้ว่าเราพูดนะ ถ้ามีสติมันจะรู้เองเออรู้สมควรพูดรู้ไม่สมควรพูดเนี่ยพูดออกไปแล้วมันจะกระทบเกเื่อนใครหมเน่ยมันจะรู้เองถ้าเรามีสติมันจะรู้จักนะแต่ถ้าเราไม่มีสติแบบอะไรไปมัทำสวนทันทีได้ออกมาไม่น่าเลยเนี่ยูไม่น่าเลยไม่นาพูดไปเลยเนี่ยถ้าเราอย่างนี้แล้วมันต่อไการกระทบเผื่อนจะน้อยลงสีิเราทำนะรับรองถ้าทอย่างนี้บอกไม่ิดลอวทำได้ทั้งวัน ไม่ยึดไม่ยึดหลังแน่นอนเป็นไงงานทำยากมันมันก็มมัันนยากแต่ใหม่ใหม่นี่แหละเออมันยากแต่ใหม่ๆไม่ว่างานอะไรอะไะถ้าเราจะใหม่ๆไม่เคยทํามันจะต้องยากแต่ถ้าเราทําจนเคยชินแล้วมันจะง่ายผมมันไม่รู้ ปิปตะมาเออใช่ดิดิดิดิดิดิกนมาเลยคนนี้หรือฮะไปยอมรับอยู่แล้วเพราะคนใต้บังคับมาเยอะมายี่สบคนเนี้ยกันุทธเจ็ดยบอย่างยี่สิบอย่างแล้วเถวเขาไม่มาไม่ไม่มีปัญหามาเนี้ยคือมีปัญหานั่นละเราก็แก้ปัญหาไปเฉพาะหน้าไปถ้าเรามีสติแล้วมันจะรู้เองหรอแต่ปัญหาเนี้ยผมไม่ได้ทำเลยนะเออเขาทำแต่ผมไม่คนแก้ให้เขาเอออันหลังมันก็ทําไงได้เป็น เป็นหัวหน้าเขาคงจะธรรมดานะไม่ก็อะไรก็มากองอยู่ที่เราหมดเราเป็นหัวหน้าเขาแต่นี่ก็ต้องมีสติงนั้นแต่เราหลุดนั่นเราก็หลุดเพราะว่าผมไม่ได้ทําปัญหาเขาทําปัญหาแต่ปัญหามันก็เพราะมันกล้ากมากเดี๋ยวต่อไปสติเราทันแล้วมันจะเบาปัญหามันก็จะเบาเราก็จะทูกน้อยลงถ้าสติเราทันแล้นะมันก็จะทูกน้อยลงมันไม่เหมือนตอนนี้หรอกตอนนี้มันเราแบบปัญหาไว้หมดไงนะแต่ทีนี้เราก็มีสติแล้วมันจะทันแล้ว มันจะทันเองปัญหามันก็จะขี้จะคลายไปเองหรอกมันาตีเราทันแล้วไม่ม <c oughs> ีปัญหานะะฝึกสติไปเรื่อยๆนะให้มันทันให้มันทันความคิดเนี่ยนะมันอยู่ที่ทันอยู่กับความกับความคิดหรือความทุกขว่าเราไปกับความคิดเนี่ยมันทุกข์เพรเราไปกับความคิดเพราะสติเราไม่ทันความคิดเนี่ยเราก็ฝึกของเราไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันทันเองเห็นผลแน่นอนภายในหนึ่งเดือนอันนี้ก็ต้องทําไปเรื่อยนะเนี่ย พอใจนะที่พูดนะข่าวๆน่เวลาโมโหมากๆ้กดนิ้วตัวเองแล้วอิติติโศแต่มันก็รับได้มันก็ได้จนสุดันก็จะหายถ้าเราไม่ไปเราพยายามกดนิ้วตัวเองถ้ามันพิดขึ้นมาแล้วมันโมโหขึ้นมาเราไม่ไปปรุงแต่งต่อไม่เติมเชื่อให้มันมันก็จะเบาลง มันก็จะเบาลงเอบาลงก็ได้ทํำมั้นก็ได้ให้มันมีสติไงทำให้ทําแบบนี้ก็ทําให้มันมีสติกลับมาไม่ให้มันไปโกรธเต็มที่ใช่ไหมมันก็จะมีบางคนน่นแหะเรื่องนี้มันจะมีแต่อยู่ที่สติเราถ้าสติเราทันมันก็มันก็ไม่ไม่บานปลายนะสติทันไม่บานปลายหรอกนะความโกรธมันจะเบาลงไปเรื่อยเบาลงรู้ทันไปมันจะไม่สวนทันทีอ่มันจะนะ แต่ก่อนเไม่มีสติมันก็สวนทันทีเขพูดมาไม่พอมันก็สวนทันทีแต่ท well mm ีนี้เรารู้ทันมันจะไม่สวนนมันก็ดูคนสวนไม่คนสวนคนพูดน okay. ้อยพูดมากมันจะเข้าใจเองจะรู้เองที่สติของเราไม่ยากหรอกทาใจลองดูน่ะลองดูหลวงพ่อก็จะมีอะไรก็ถามได้แล้วแล้วเคยฟังไหมทีหลวงพอพูดในยูทูบเคยฟัง ไมได้เคยได้ฟังเลยอเออนี่มันต้องเงียบหลวงพ่อกับเหน็บบอกวิธีแบบนี้แหละนะ<อ>แล้วต้องฟังบ่อยๆมันต้งจะเข้าใจนะคอ่าเข้าฟังบ่อยๆอ่าโทรศัพท์มากดเข้าไปย t u b e แล้วหิ้์ชื่อหลวงพ่อลองไปมันก็ขึ้นมาแล้วอ๋อครับเอออแล้วก็ฟังจะทําตามที่ก็คนที่เขาฟังที่หลวงพ่อพูดเนีย่ยบางทีก็ไม่เคยเห็นหน้ากันเขามันดีดขึ้นมาแล้วเขาฟังเขาจะทำตามมันก็ได้ผลนะ เขาทำจำก็ได้ผลเพราะว่าแต่ก่อนเขาจเอาแต่นั่งหลับตาเนี่ยเวลาไม่หลับตาเขาไม่ภาวนาวเหมือนกันนนียทีนี้ก็มาทาเนี่ ย, เข า, า เ, ยเขาทาตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเคาจเห็นผลไปนะแล้วแล้วเป็นไงบ้าง่ทันไหมนะทักากดเดิมไหมดีกว่าเดิมไหมก็ยังความเพียรน้อยอความเพียรน้อยจะเพียรอะไรอจะเป็นไม่ได้เดินจงกรมทั้งมันก็มีสติทั้งวันเท่านั้นเองมันจะไปเียเพียรน้อยอยังไง มันไม่น้อยหรอกถ้าเรามีสติทุกตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ได้น้อยหรอกเป็นบางช่วงอ่าจะได้คุยกันบ้างเรื่อภาวนาเเห็นอะไรแตกต่างกันบ้างจากเดิมไหมก็แบบเหมือนต้องเมกตัวเองอ่ะพอเรารู้ตัวเองมโหเงี้ยอ่านั่นลนแลบบรู้รู้สึกแบบว่าโมหนั่นแหละก็ทันแล้วแต่ก่อนเบรกยางนี้ไมแต่ก่อนนั่นก็ทันทีไปสวนทันทีน่นก็ดีขึ้นแล้วก็ทำแล้วทันความโกรธแล้ว มันก็ดีขึ้นหมดเลยมันอยู่ที่สติอันเดียวเนี่ ย, ยเขาสวนพุทธเจ้านะการภาวนาอยู่ที่สติอันเดียวเนี่ยทำยังไงก็ได้ทำมันมีสติทั้งวันเนี่ยได้ได้หมดนะนแต่วิธีที่ง่ายที่สุดอย่างที่หลวงพ่อบอกไปเือเนี่ยมีสติอยู่ตลอดเวลาเดินเดินนั่งนอนทำนท่นทนี่สติเผือไปไม่เป็นไรเอามารู้สู่เหมือนเดิมไปแล้ว้มันได้ทำทั้งวันแบบไม่ได้ยากหรอกอยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำนั่นแหละถ้าเราไม่ทำมันก็ทุกอยู่เรื่อยนะที่เดี๋ให้เราทุกอยู่เรื่อย เดี๋วความโรกรธจะทาให้ทุกข์เดี๋ยวความหงุดหงิดกมาเดี๋ยวคิดไปอดีตคิดไปอนาคตน่เพรานะสติเราไม่ทันน่ะถ้าสติทันแล้วเบาทุกข์เบาหมดที่สติเราอันเดียวอค่ะหวังทันทุกอย่างเแต่โยมร้าไสวันาไม่ได้ค่ะโยมคนขี้เยขี้โยมริได้ะ่โยมมะโยมตัวเบี้ละ รู้เลยนะแต่โยมก็ห้ามตัวเองไม่ให้เวียงไม่ได้โยมก็เวียงเลยแต่โ ย, ยมเห็นนะอาการเวียงเห็นเห็นทุกอย่างเลยมันมาแล้วพูดขึด้นปุ๊บรู้สึกปั๊บอารมณ์เกิดปุ๊บถ้าสติดทันก็นิ่งได้แต่ด้วย รู้ Dante, bien, ได้นะูก็แต่ว่ากูขอเหวี่ยงนิดนึงด้วยความวิสย่าคนขี้เหวี่ยีวิ่งเอาสักดอกอะไรเงี้ยหวงพ่อไม่ต้องไม่ต้องไปเหียงนะมันต nice well. ้องหยุดได้สิหยุดได้แต่ก็หยู่ได้พี่โคน้นั่งยืนอยู่บนอย่ะมันต้องหยุดได้โอเพื่อนได้ควบคุมสุนฟันเลยก็หยุดได้เห่ือนกันนะแต่ด้วยความที่แบบว่าต้องเอาซะหน่อยหลงพ่อมันมันเอานะแต่รู้นะว่าเอาเขาแต่ถามว่าใจเ่ะ โอยู่ไหไม่โกรธนะแต่แบบว่าวิที่สายาสัาต้องเอาสนิทยอาสั่งสอนเท่านั้นแต่ใจไม่กระเทือนนะเพราะว่ามันปพุ๊บรู้ทันปั๊บมันถึงปากแต่วิทย์สายศาสนาเป็นคนแบบคุต้องเอาสนิทเลยถ้าใจไม่เข้าไปไปเป็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะถ้าใจเรามันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหานะมันถึงปากจะร้ายผนานไหนเขาก็รู้เองแหะต่อไปมันจะร้ายแต่ปากแใจมันไม่เป็นอย่างงั้นมันยู่เงีบมันก็เขาก็รู้เองแหละเขาดูเขาก็รู้ ยมโยมเคยถามหลวงปู่เพื่ดูปูท่านก็บอกว่าก็มันเป็นนิสัยว่าสนาเคยถามมีคายมอยู่มีค้าอะไรเงี้ยหลวงปู่ผมไม่สนไรเป็นนสัยาสนาแกไม่ได้ยมก็รู้สึกตัวเองรู้สึกผิดน้อยลงอ่าถ้าเราเพราะว่าเราก็ดูเขาด้วยความหวังดีอ่าถ้าถ้าเราไม่มีความโมหหโท่โศไปกับคําพูดมันก็ไม่เป็นไรใจเราปกติปากมันก็ไปอย่างนั้นะแต่ว่าใจเราปกติอยู่มันก็ไม่เป็นไรอุปถัมยมเป็นอย่างนี้ตอนนี้ แต่เราก็รู้ของเราเองอ่ะนะเรารู้เขารู้ของเราเองเราเราพูดด้วยความโมโหด้วยว่าเราพูดแต่แต่ปากที่เฉยเน่ยมันเราไม่รู้เราของเราเองนะรู้ของเราเองนะงงนะนะก็แล้วแต่นะควรด่าก็ด่าบ้างนะถ้ามันดื้อ ม, มากก็ด่ามันบ้างอาจจะจะไม่ดา <c oughs> ่ากะเลยจะปล่อยให้มัน ที่คอเราอยู่มันก็ไม่ใช่เราเราเป็นลูกลูกเป็นหัวหน้าเขาเราก็ต้องม<อ>ีดูมีด่าบ้างนะตามเหตุตามปัจจัยนะไม่ใช่ว่าไม่ด่าเลยก็ไม่ใช่อีกก็ด่าตามเหตุตามผลนะตามสมควรกับเหตุกับผลนะตามสมควรแก่เหตุด่าตามสมควรแก่เหตุ ทำสบายในั่นแหละทำก็ทําสบายอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละสบายสบายอยากไม่ใช่อุกเราต้องเครียดเราต้องเดินไปอุคอยย่องไม่ใช่นะตามปกติธรรมชาติแบบเราไม่เคยภาวนามาะแต่เราให้มีความรู้สึกตัวเท่านั้นเองอเราจะทําไปไหนเราก็รู้สึกตัวมันไปเอามารู้ตัวเหมือนเดิมสติมันอยู่กับตัวอยู่ตลอดอย่างนี้นะเราทำไปอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นเองนะภายในหนึ่งเดือนเนี่ยต้องต้องเห็นความแตกต่างแล้วถ้าทาอย่างหลวงพ่อบอกนั้นแสรตื่นนอนจนหลับนะ สขาเหความจตกต่างแล้วโมโหก็รู้ว่าโมโก็ต้อเพราะว่าอ่าละโมโหก็รู้แล้วโมโหหยุดมันแล้วอย่าไปต่อปากต่อคำหยุดแค่นั้นเขาเรียกว่าไม่เติมเชื้อมาเหมือนไฟเนี่ยมันไหมแล้วเราจะ่าไปเติมเชื้อมันไหมแรงกว่านั้นหยุดแค่นั้นไม่ไปเสริมเชื้อให้มันอีกน่ะไม่ไปไม่ไปปรุงแต่งเขาเรียกว่าไม่ไปปรุงแต่งหยุดแค่นั้นหยุดแค่นั้นอย่าไปต่อความยาวสาวความเบื่อใั้มัน เนี่ต่อร้อต่อเถียงกันแล้วก็ยิ่งโมโหขึ้นไปอีกเนี่ยเป็นั้นเราเราหยุดได้แล้วก็หยุดนะพอด่าก็ด่านะไม่ใช่ว่าไม่ให้ด่าไม่ให้ว่าไม่ให้สอนลูกน้องเลยก็ไม่ใช่นะตายค <นะ S 2> ่ะเด็กที่เนี่ยมันก็ด่าบอกได้แต่ให้มีเหตุมีผลนะด่าตามเหตุตามปัจจัยที่มันจะควรด่านะเราก็ดูใจเราไปด้วยเวลาเราด่าใจเรามันเป็นจความโกรธไปด้วยไหม มันด่าไปด้วยความโกรธมันโมโหฉุนเฉียวอยู่ในการด่าไหมเนี่ยมันก็แต่ถ้ามีสติมันก็จะทันเองหรอกพูดไปเรื่อยๆแล้วมันทันเองอย่างเราพอบอกเนี่ยถ้าเราฝึกเอเราเห็นความโกรธเนี่ยเห็นแบบอาจจะแบบตอนแรกนานหน่อยอย่างเงี้ยเนาทีเป็นสานาทีมารู้ตัวแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้มันสั้นสั้นเข้ามันจะมันจะเห็นมันก็จะสั้นเข้า แล้วมันก็จะสาวไปหาต้นตอมันมันออกมาอย่างไงเนี่ยความโกรธมันออกมาอย่างไรเนี่ยมันก็จะสั้นเข้ามาเรื่อยอย่างที่หลวงพ่อบอกที่แรกมันก็กระจายไปทั่วโลกทั่วแผ่นดินความคิดเราเนี่ยที่นี้สติเราดีมันก็จะค่อยแคบเข้ามาแคบเข้ามามันจะแคบเข้ามามันจะไม่พุ่งกระจายไปทั่วโลกทั่วแผ่นดินแล้วความคิดปุงแต่งของเราเนี่ยมันจะแคบเข้ามาเรื่อยสติดีเท่าไหร่มันก็จะแคบเข้ามาเรื่อยหดเข้ามาเรื่อยสั้นเข้ามาเรื่อยี่ยการเกิดตายก็สั้นไปพร้อมกันทุกข์ก็น้อยลงไปพร้อมกันหมดนั่นแหละขอให้สติมัันนท ถ้าสติเราไม่ทันมันก็ทุกไปหมดคิดไปหทั้งวันทั้งคืนนอนไม่หลับสตเรามีนก็ไปกับความิถ้าสติเรามีมันก็ไปกับความคิดถ้าสติเรามีมันก็สั้นไปเรื่อยทีแรกมันก็เผออาจจะเป็นบางทีก็อาจจะเป็นชั่วโมงนจากชั่วโมงน้ก็เหลือมา5สนาที่นาทีไปเรื่อยใช่หมันก็คอยคเนี้ยคอยสั้นเขาเรื่อยคอยสั้นเาเรื่อยมันจะรู้ทันถึงเผอมันก็รู้ทันก็อยู่ที่สติเราถ้าฟุกไปไม่หยุดไม่ย่อนอย่างน อยู่ที่สติเราอันเดียวเนี่ยฝึกใ้มัได้ทั้งวันแม้แต่ตื่นนอนจนหลับไม่ได้ยากหรอกเราจะไปท่อไปถอยนะจะไปยอมแพ้มันสิพิเดียจะไปยอมแพ้มันทำไมเราเป็นทาตรเบาใช้เป็นชี่ข้าเราใช้มันมากี่กับกี่กันนะเราต้องจะปล่อยให้มันฉี่คอได้ยงไงเนาะเนี่ยมันจะสติเราอันเดียวเนี่ยพยายามให้รู้ทันมันอยากเป็นทาตมันมันใช่โกดเราอย่าไปโกด มันใช้ให้เราโกรธเราต้องรู้ทันนี่ยอย่าไปโกรธกับมันมันกระทุกเราโกรธมันกระทุกนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นทาตรับใช้เป็นขี้ข่ารับใช้มันมันกระทุกมัเป็นดาบใดซึ่งมันเป็นขี้ข่าเข้าใช้งานเราอยู่ตลอดถ้าเราไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนก็แพ้มันไปเรื่อยนะมันก็ต้องต่อสู้มันเรื่อยมันโกรธมาเรารู้ทันเราไม่ไปโกรธกับมันเอามารู้ตัวอย่างยุงสติฝึกเป่งี้มันทันเองนั่นแหละมันจะถีเข้ามันจะทันไวทันไวไปเรือยจะถีเข้ามาถีเข้ามาความโกรธมันก็จะน้อยลง มันโกรธมันก็รู้ทันไวนะมันก็ลดการมันจะสั้นลงมันจะดับใบใบไปเรื่อยดับบไปเรื่อยมันจะไม่เป็นธาตุความโกรธต่อไปทุกเราก็เบาลงอย่างเงี้เราการเป็นที้ข่าต้องเราน้อยลงเท่าไหร่ทุกเราก็น้อยลงเท่านั้นอ่ามันไปอยู่ที่สติเราเนี่ยสติเราจะดีขนาดไหนมันก็เนี่ยมันก็สั่นเข้ามาสั้นเข้ามาทุกข์กับเบาไปพร้อมกันเลยทุกสติไงอย่างหลวงพ่อบอกนะจะตื่นนอนจะหลับ แล้วลองฟังดูก็ได้ที่หลวงพ่อพูดนี่อยู่พูดก็ตามนี้เลยก็ฟังอยู่เรื่อยนะไม่ใช่เวลานั่งภาวนาก็ฟังก็เคดฟังอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยเวลาเราว่างเราเคยฟังมันถึงจะเข้าใจนะวิธีทำมันถึงจะเข้าใจไม่งั้นเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่ฟังอยู่เรื่อยถ้าเราทําเองมันไม่มัไม่ไม่เป็นง่ายๆนะเพราะเราไม่รู้วิธีทําอย่างหลวงพ่อมันก็จะมากเสียเวลาทํา ง, งานกนะ็ภาวนาเฉพาะเวลาหลับใ า, ายอย่างอย่างเงี้ยเหมือนกัน ผลเลือดหลับตาเขาไมแต่ภาวนาเหมือนกันนะทุกขอยู่กันอันนี้มันรู้วิธีทําแล้วเราต้องทําตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับอย่าแต่ง่ายแล้วนี้ง่ายนล้วถ้าเดินก็เดินไม่หยุดเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทางก็เรามีสติมันคือเดินไม่หยุดสติทันไว้เท่าไหร่ทุกข์ก็เบาลงเท่านั้นการเกิดใจสั้นลงนะสั้นลงไปป้องกันฝึกสติเนี่ยมันทํามันทันความคิดต่อไปมันก็ทําความคิดแหะ ทันความโกรธนั่กก็รู้ทันมันหมดเลยเห็นมันโกรธแล้วไม่ไปโกรธกับมันต่อไปเห็นมันโกรธเห็นมันคิด้ไม่ไปโกรธไปคิดอะไรกับมันทุกเบานแล้วตัวตนน้อยลงเบาไปเรื่อยตัวตนเราก็น้อยลงทุกเราก็เบาลงไม่ได้ยากอะไรไม่อยู่ที่สติอันเดียวนี่ยทำไงก็ได้เรามีสติรู้ตัวทั้งวันแต่ก่อนเราไม่ได้ทำแบบนี้เราทาเฉพาะเวลาหลับตาไงเราไม่ได้ไปทาอะไรหลับตากับเวลาครึ่งชั่วโมง แล้วอีก23ชั่วโมงครึ่งครึ่งเราไม่ได้ทำเมื่อก้ไปทันอะไรอันนี้เราทำตลอดเวลาเดี๋ยวก็ทำเองง่ายแล้วรู้วิธีแล้วง่ายแล้วไม่ได้ยากหรอกมีมอะไรจะถามไมโยม2คน นั่นละโกรมาเนี่ก็เนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยมันมันทำนั่ยแหละมันทำให้มีนัแหมันทำให้มีสติเนี่ยนะทำร้ายเหมือนทำร้ายตัวเองมันทาให้มีเอามีสติไม่ไปกับมันเออนั่นแหละเนี่ยทีนี้กัมีสติเนียกระให้ทำอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยนะมันตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับต้องมีสติต้องมีความรู้สึกตัวอย่างเนี่ยสกดอารมณ์เนี่ยมันจริงส ทำไม่ได้อย่างพี่ไปแสต่อล้อเลยเด็กคเดียจบาทำ้ายหนูไม่เคยทำร้ายตัวเองเลยนะเราเราเป็นทาสของมันหมดเนี่ยเพราะสติเราไม่ทันมันเพราะนั้นเองมันไม่มีอะไรนะความโกรธมันก็เป็นนามมาทำเคยเห็นตัวมันไหมเคยเห็นตัวความโกรธไม่ตัวมันเป็นยังไงก็มันเป็นนามมาทำนะไม่สัมผัสตาก็มองไม่เห็นมันเป็นนามมาทำแม้แต่ว่าที่เป็นเรามันก็เป็นนามมาทำ ที่ว่าเป็นเราอยู่ขณะตอนนี้นะมันมันตรงไหนเป็นเราก็ความคิดมันก็ไม่ก็ไม่ได้เห็นไม่มีตัวไอ้ตัวที่ว่าเป็นเรามันก็ไม่มีตัวอีกอ่าแต่แต่มันทําให้เราหลงมันได้ก็แล้วกันนะอย่างความโกรธนี่มันก็ทําให้เราไปโกรธกับมันได้แต่ทั้งที่มันก็ไม่มีตัวมีตนอะไรเลยก็เราหลงเนี่ยสติเราไม่ทันมันเราทึกเป็นอย่างนั้นสติเราไม่ทันมันอยู่ที่สติอันเดียวนะ แต่ก่อนที่มันจะเป็นความโกรธมันก็เป็นความคิดก่อนอ้าวมันก็คิดแล้วมันถึงไปปรุงแต่งมันปรุงแต่งมันถึงโกรธใช่ไหมล่ะเนี่ยยังเขาด่าให้อย่างเนี้ยเขาด่าให้ถ้าเราไม่เอามาคิดไม่มาปรุงมาแต่งมันก็ไม่โกรธเราเอาไปคิดปรุงแต่งเนี่ยปรุงแต่งแล้วมันว่าให้เราอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันมาปรุงแต่งเนี้ยมันก็เกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความไม่พอใจมันก็ข้างคาอยู่ในใจใจขุนใจมัวไปทําอะไรอยู่จะคิดแต่เรื่องเดียวนี่มันก็โคตอยืนข้งวันอย่างนั้น แม้แต่เวลานอนกันมือไก่เน่าผากก็ชิดขึ้นมาก็โกรธอีกแล้วเพราะไหนเขาเรียกว่ามันไม่ไม่ปล่อยนะมันไปกาะอารมณ์อันนั้นไว้มันไม่ปล่อยมันไม่มีสตินั่นแหละแต่ถ้าเรามีสติมันโกรธมาเรารู้ทันเราไม่ไปโกรธกับมันยังไงเราไม่ไปปรุงแต่งต่อนะเขาเรียกไม่เติมเชื้อมันก็ดับแล้วที่ไม่ที่มันไม่ดับเพราะเราไปใส่เชื้อให้มันอยู่เลยนะถ้าไฟกําลังจะดับแล้วก็ไปใส่เชื้อให้มันอีกไงก็ไปปรุงแต่งนั่นแหละไปคิดอยู่นั่น คิ่แต่เรื่องเรื่องเดิมๆบนเวียนซ้าําวอยู่นั่นแหะมันทุกข์กอยู่เลยนะถ้าโกรธจะคิดเรื่องโกรธนะเราไม่ปล่อยมันไปเราก็ปล่อยไม่เป็นเพราะสติเราไม่ทันอยูงที่สติอันเดียวได้จะจะหยุดมันได้นะหยุดความโกรธหยุดอะไรทุกสิ่งอย่างกันอยู่ที่สติอันเดียวสติเราไม่มีก็ไปกับมันทั้งวันก็คิดแล้วก็พุ่งก็แต่งไปอย่าเอาเหยียดเอาไปไม่ไม่ตัดตั้นเข้ามาแล้วมันยาวเหยียดเอาไปเพราะเราไม่ได้ตัดสั้นสติเราไม่มีก็คิดไปกับความคิดหมดเลย อันนี้พอมีสติเรมันคิดมาเรารู้ทันหมดเลยแล้วก็ไม่ไปกับมันเราไม่ไปกับความคิดนมันก็ไม่ใช่ของยากนะถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆมันยังง่ายทําจนเป็นความเคยชินแล้วมันจะง่ายมันไม่ยากหรอกวิธีนี้มันด้ยากเลยไม่ต้องไปใช้ความคิดไม่ต้องไปทิจารณาเลยตื่นเข้ามาไม่ต้องบอดีกรรมนะตื่นข้ามาจากที่นอนจะไปทําห้องห้องน้ําไปแปรงกันอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องบอดีกรรมพุทโธพุทโธอะไรไม่ต้องว่ามีสติอยู่กับการเดินกั้น เคืนไหวไปมาทำนู่นทำนี่ให้มีสติเอามาจับตัวกายที่เราเคลื่อนไหวมันเผอไปก็ไม่เป็นไรเอามารู้ตัวอีกแค่นั้นทำอย่างนี้ทั้งวั น, นเวลา น, นอนกันนี่นัน่งเมื่อยแล้วก็นอนก็หายใจเข้าพุทธออกทวริรจะบรีกรรมพุทธทวก็แล้วแต่ให้มันหลับคาพุทธทวทุกวันนี่มันไม่เนี่ยทำได้ทั้งวันเลยทีงไม่มีปัญหาเลยสบายได้ภาวนาทั้งวัน มันเดินไม่หยุดนะมีสติมันเดินไม่หยุดมันกระทึงไว์ถึงจุดหมายไปทางไว้อยู่ที่สติอันเดียวไม่ยากหรอกไม่มีทําให้มันมีได้สติมันก็ยากหน่อยตั้งตอนใหม่ๆนี่แหละทำทุกวันจนเป็นความเคยชินแล้วมันง่ายแล้วมันก็ยากหมดแล้ใหม่ๆไม่ว่าจะจะทําอะไรมันยากหมดเลยแต่เราทำทุกวันแล้วมันเคยชินแล้วมันก็ไม่ยากแล้วมันเผือก็เอามารู้แค่นั้นมันเผื่อีะก็มารู้อีก คิดออกไปเอามารู้ตัวอีกมันแค่นั้นทั้งบรรด์ไม่ยากหรอกนะยากมที่พูดยาก <c oughs> ไมนยากหรอกมันยากแต <c oughs> ่ไม่ไหมนี่ะ ว, <c oughs> วิธีนี้มันง่ายที่สุดแล้วที่งพ่อบอกองพ่อก็อทำมาหลายวิธีมันสู้อันนี้ไม่ได้สักอย่าง <c oughs> วิธีคำพุโทโธมากต่ทามานะทาพิจารณากายมาสารพัดทำม า, ำามันมัน มันไม่เหมือนวิธีนี้วิธีนี้มันได้ภาวนาทั้งวัมันง่ายะทํา น, นั่งเพราะมันไม่ต้องนั่งหลับตาขออนุญาตแชรคมันต้องเห็นความโกรธะนะออมันต้องเห็นก่อนโยมเคยโกรธมากๆนะ ม, มันเหมือนเป็นก้อนพลังความงานความร้ อ, รอนะ อ, อยู่ในใจของเราโยมก็นั่งดูมันแล้วก็พิจารณาทำเอาทำมาพิจารณา ให้พอปัญญามันเิดจริงๆแล้วมันก็เกิดจากตัวเราอัตตาตัว ๆ, ๆของเราเนี่ย น, นั่นแหละเขาพูดไปถูกใจเราก็ทําูกใจเรารมาว่าเราเพราะ อ, อ, อัตตาตัว ๆ, ๆ, ๆที่ถี่มานาเราเนี่ะพอปัญญามันเกิดปุ๊บอะ่ะมันเขาเรียกมันเห็นอะ่ะตัวปัญญามันสองอะ่ะอไืไอ้มวลความร้อนมันก็หายไปใจเราก็เบาสบายเราก็เย็นขึ้นมาอะไรต่างะอืนก็เลยแบบอ๋อ ก็เลยอ๋อนั่นแหละมันมันก็อยู่ที่มีเรามีตัวมีตนนี่แหละเพราะมันมีเรานี่แหละที่ที่ที่มันโกรธก็เพราะมันมีเราเนี่ยเราไม่มีสติไม่ทันมันแต่ถ้าเรามีสติแล้วตัวเรามันจะเบาลงน้อยลงอะได้แล้วหมอมีอะไรจะแจ้งให้ฟังบ้างยังไม่มีครับไม่เงีมัเหมือนไม่ได้ทำอะไรไม่ตอนที่เราฝึกใหม่ๆตอนนั้นอะ เราไยาวแล้วหลวงพ่อเอาสั้นๆกันเอาสั้นๆกันจะทับตัวจทับรักะเรองนั่นแหละรู้ตัวตัวอ่าอ่ารู้ตัวตอนแรกก็รู้อินยาบทร่างกายก็รู้ง่ายอ่อทีนี้พอรู้จนมันทางานต่อไปมันต้องมันต้องปล่อยนะอมันต้องหยุดตอนนี้คือหยุดแต่มันจิตมันไม่ทํางานนะหลวงพ่อจิตมันมันก็มีของมันอยู่แล้วไอ้ตัวนี้นะไม่เจาเราต้องไปสร้างมันขึ้นมาจะทําไม่ได้ถ้าทำซอกก็ไม่ใช่แล้วอไอา พอถึงจุดนี้ไอ้ไอ้ไอ้รู้ที่เราสร้างขึ้นมามันจะค่อยๆสลายไปสลายไปอ่าหทุกข์ใทปกติแล้วมันไม่ไ้ครับทำหมดเลว่าแบบัตนี้มันมีอยู่แล้วไม่ได้มนวแแต่เรามีอะไรมาปิดเอากันนี้แหละกับตัวตนเรามาปิดไว้กับความไม่มีสติเนี่ยคือความเป็นตัวกัตน ใชใครเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันใครแตกก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันมีตัวมีตนมันมีตัวกูเนี่ยเนี่ยตัวกูเนี่ยเรามันต้องค่อยฝึกสติไปอะไรไปแล้วแต่ตัวกูมันจะน้อยลงลดลงอัตราตัวตนมันจะน้อยลงมันอยู่ที่สติเราเนี่แหละนะมันมันก็อยู่ที่ตัวกูแหละมันไม่ให้ยอม่ะมาน่าทิฏฐิตัวนี้มันไม่ให้เรายอมนะมันเนี่ยมันยากพรอันนี้แ่ละมันบังไอ้ตัวเนี้เนาะมันบังไว้แต่มีบางช่วงที่เหยียดเองคนที่ทำงาน นมั่นนั่นน่ะจะบอกว่ามันมันมีบางช่วงที่มันตอกเลยว่ามันขึ้นมาบุกมันตัดทึบตัดแค่ตัดตัดเพราะมันขึ้นมาอย่างเด้งเดงที่มันเรียกตัดตัดตัดตัดติดแลวมีบางช่วงที่ที่มันตัดถ้าเรามีสติมันก็ตัดเพราะเรารู้ทันนั่นแหละไม่ใช่ไปตัดมันแค่รู้ทันมันก็ดับแต่แต่ก่อนเราไม่รู้ทันอย่างนี้มันเด้งมาม่าหลแล้วก็ปรุงแต่งทันทีเลยเราก็จะพิดเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วก็ทุกเลยทีนี้ะเกิดความทุกข์เลยเพราะเรา ไปคิดไปปรุงไปแต่งกับมันถ้ามันคิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันลอยมาเราก็รู้ทันมันก็ไปแล้วมันก็หายไปมันคิดมาอีกเรารู้ทันอีกมันหายไปอีกนี่อันนี้เราเราไม่ทันมันเราก็ไปคิดไปปรุงไปแต่งยาวซุ้ยไปเลยทีนี้ยืดยาวออกไปไม่จบไม่สิ้นพอพอเราสติเราไม่ทันถ้าสติทันคิดมารู้ทันมันก็ดับนีมันถือที่สติอันเดียวมันไม่ด้ยากอะไรนะอยู่ที่สติอันเดียวไม่ได้ยากหรอก ไอ้้นั่นก็มีคนมีคนฟังเยอะเนี่ยที่ไปพูดบ้านใกล้เขานั่อันนั้นไอ้ที่หลวงพ่อไปพูดอันนั้นมีคนฟังเยอะอันนั้นมีคนมีคนได้ประโยชน์เยอะนะอันนั้นมีคนได้ประโยชน์เยอะเลยลองก็ลองฟังรู้ก็ได้ไอ้ที่หลวงพ่อไปพูดบ้านใกล้เขนันยีรับคลิปอันนั้นะอยู่ส่งเรเปิดลราเปิดให้ให้ลองดูฟังดูก็ได้เปิดให้ยูทูบตรงที่ว่าหลวงพ่อพูดอน น่าลองลอง้ท่าอลองลองลองลองลอนลองลองดูเลองลองลองลองลองลอง้ไงลองลองลองลองลองลองนองลองลองลองลองลองลองลองลองลอองลองลองลององลองลองลองลอ้ลองององลองลอเอออองลอองลองลองลองลองอององลองลองลององงออออองลอออออ